43กรรมที่ตกผลึกลงเป็นผลแล้วไม่สูญหายเลยคนผู้นี้จึงเป็นผู้ที่กระทำกรรมใหม่ก็มีแต่กรรมดีกุศลกรรมไปตลอดดังนั้นมวลกรรมดีเกิดขึ้นมามากๆซึ่งเป็นกรรมปัจจุบันของตนเองทำสั่งสมเพิ่ม เป็นกุศลกรรมใหม่เกิดขึ้นเป็นกำแพงกุศลกรรมกั้นอำนาจกรรมเก่าไว้ได้กำแพงกุศลใหม่นี้ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นก็ยิ่งจะเป็นเครื่องกั้นใหญ่ป้องกันอำนาจกรรมบาปอดีตตามมาเล่นงานตนเองได้เพราะมีกำแพงกรรมดีใหม่ขึ้นมากั้น กรรมบาปอดีตไว้ไม่ให้ไล่ทันไม่ใช่กรรมบาปหายไปหรือถูกกรรมดีกุศลกรรมไปกรรมจัดกรรมอดีตที่ชั่วนั้นให้กรรมชั่วในอดีตลดลงหรือหมดไปแต่เพราะกรรมอดีตนั้นไม่มีพลังงานผ่านทะลุกรรมดีที่เป็นกำแพงธรรมะที่กีดกั้นอยู่ไม่ให้มาได้ หรือกรรมอดีตวิ่งไล่กรรมดีไม่ทันเท่านั้นเองจะไม่ใช่กรรมที่เป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วหายจากตนไปไหนเด็ดขาดแต่เพราะกรรมที่ตนทํานั้นเป็นของตนแท้กรรมมักาตนต้องรับมรดกกรรมของตนกรรมมาถยญาต ข้ามพบข้ามชาติไปจนกว่าคนผู้นั้นจะปรินิพานที่สุดเป็นปรโยสารและกรรมนี้เองที่เป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตคนทุกผู้กรรมโยนิเพราะเป็นอำนาจแท้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ตามฐานะแห่งผู้เป็นเจ้าของกรรมนั้นมีบารมีนั้นๆ น, น, นะ